พระโพธิสัตว์เนี่ยมีสติสัมปชัญญะดำรงอยู่ไม่ถูกอารมณ์เหล่านั้นครอบงําไม่ตกอยู่ใต้อํานาจของอารมณ์นี่ยะเพงั้นมู่เทวดาทั้งหลายที่ฟังธรรมันรูุมรรคผลเนี่ยจริงๆไม่มากนะไม่มากอะไรอย่างเทวดาที่เขาเรียกว่ามีเท่านั้นโกรธเท่านี้โกรธอะไรเป็นต้นเนี่ยคือปริมาณอายุเขายืนจริงๆก็ไม่ใช่ว่าไปโกิดพรึบๆมากล้นหลามไปหมดไม่ใช่ คือแต่ละคนเนี่ยอยู่อายุกันคนละเก้าล้านปีสามสิบหกล้านปีคนละห้าร้อยกว่าล้านปีอย่างเงี้ยเนี่ยไม่รู้จักตายสักทีอยู่ตั้งนานนา น, น, านมนุษย์ทําบุญไปเกิดที่นั่นทีหนึ่งคนหนึ่งก็ไปอยู่กันนานๆอย่นางเงี้ยก็เลยเหมือนเยอะแต่จริงๆแล้วปริมาณก็ไม่ถึงกับมากผู้ที่ฟังธรรมแล้วบรรลุ ก, ก็ไม่ถึงกับมากแต่ที่มากคือมาจากจักรวาลอื่นด้วยไม่ใช่ในจักรวาล น, นี้จักรวาลเดียวเทวดาที่บรรลุเยอะๆเนี่ยมาจากกลุ่มหมื่นจักรวาลมา ไม่ใช่มาแหล่งเดียวไม่ใช่ใ น, นในจักรวาลนี้จักรวาลเดียวเนไท่า น, นดูว่าโดยรวมๆอ่ะนะเทวดาทั้งหลายที่ไม่ได้สั่งสมบุญมาเต็มที่ไม่ได้สั่งสมการฟังธรรมมาเต็มที่เลยเนี่ยโดยมากก็เพลิดเพลินทั้งหมดก็เพลิดเพลินทั้งหมดนนะถ้าไม่เจริญกรรมฐานอะไรไว้เต็มที่เลยเนี่ยไปเจออิฐถารมเมื่อไหร่ก็เมาแอหมดแล้วเนี่ยมันน่าติดหน้าค้องอ่ะนะ ก็คือคิดดูนะว่าไปเจอมณฑธาไม่เจริญกรรมฐานเจริญอะไรมาดีๆเลยนะพูดง่ายๆว่าผู้การอยู่ในถ้ำกลางหลานสมมติมีหลานสิบคนนะแต่ละคนมาเอาใจอย่างดีทุกคนน่ารักหมดเลยนะมาพูดมี่แต่คุณปู่อย่างงั้นคุณปู่อย่างงี้มาบีบมาโน่นนะาผู้การเจริญอริยสัจไหมตอนนั้นอืม <c oughs> เป็นไปได้ยากมากเลยนะคิดหรือจะแบ่งเวลาไปฟังธรรมนะแค่นั้น เพราทุกอย่างนะียนับสําคัญของเขาหมดเลยเห็นไหมนับสําคัญหมดเลยนะทุกการเกี่ยวข้องกับผู้ใดมันถือมันเหมือนกับว่ามันเป็นสาระไปหมดเลยนะจนตีกเวลาฟังทำไม่ได้ก็อย่างว่าเนะียในประชาชนกรุงเทพเนี่ยสิบกว่าล้านเนี่ยฟังทำกี่คนถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ไหมศูนย์จุดศูนย์เปอร์เซ็นศูนย์จุดูนยูนยูหลายศูนย์มากเลยนะน้อยมากนะประชากรแสนคนจะฟังทำสักคนเดียว หรือในหมื่นคนฟังทำสักคนหนึ่งอาจจะมีอยู่เท่านั้น น, นนะเพราะฉะนั้นของเราที่ฟังพระไตรปิฎกนะก็เชื่อเลยว่าหนึ่งในจํานวนหมื่นหรือแสนเน่นะไม่มากเออคื อ, ค, อคือน้อยเต็มทีจริงๆแล้วในปริมาณเหล่านั้นนะที่ฟังรู้เรื่องเข้าใจเอาไปเจริญไปคิดไปตรึกได้ก็ลดไปเรื่อยๆเนี่ยนนี้ขนาดเมืองกรุงเทพในหมู่มนุษย์นะกรุงเทพในหมู่มนุษย์นะและกรุงเทพในหมู่เทวดามันจะเดือดร้อนขนาดนนะั้น แล้วจะไปเจริญกรรมฐานอะไรอ่ะแล้วก็เทวดาที่เป็นเหล่านั้น เ, นเทวดาเหล่านั้นเนี่ยก็คือมนุษย์ที่ให้ทานรักษาศีลที่พื้นฐานไม่ได้รู้อริยสัจอะไรเลยพอไปเกิดเป็นเทวดามันก็ไม่รู้ว่าจะฉลาดอะไรกว่าเดิมสักเท่าไหร่ะแนวโน้มมันก็เหมือนเหมือนเดิมนั่นหละเหมือนคนบ้านนอกมาอยู่เมืองกรุงอะ่ะนะอัธยาศัยเดิมๆที่อยู่บ้านนอกเป็นยังไงมาอยู่ในเมืองก็ไม่ค่อยต่างกันเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่ แต่เพิ่มก็คือกิเลสเนี่ยเพิ่มความเมาเพลิดเพลินขึ้นอะไรขึ้นแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนสักเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็ในหมู่เท ว, วดาทั้งหลายเนี่ยพระองค์ยังกล่าวว่าเธอทั้งหลายเนี่ยดีแล้วที่ใดเธอไม่เกิดในสวรรค์เพราะถ้าเกิดในสวรรค์เธอไม่ได้เจริญอะเพราะเจอแต่อารมณ์อะไรมีแต่ดีไปหมดเลยนะถามมาจากน้อมไปเห็นว่านี่ทุกข์ไหมอะไรก็ดีเยี่ยมไปหมดเลยนี่ทุกข์ อืมยังอ่ะนะเวนแเจ๊ชักไม่รู้สึกสนุกเลยเป็นต้นเนี่ยเอาไว้อาจจะมีบ้างอ่ะนะแต่ว่าประชากรเหล่านั้นไม่มากนะกรัไม่มากอันผู้ที่สั่งสมบุญไว้เพื่อจะเห็นภายในวัตะไม่มากจริงๆริงเวนไว้แต่ว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยสั่งสมสุตตะไว้มากจริงๆเป็นคนที่สั่งสมสุตตะในหมู่มนุษย์มากอ่ะนะที่พระสูที่พระผู้มีพระภาคแสดงไว คือเป็นคนที่สังสมสุตตะชำนาญในสุตตะ น, นะคือเรียนธรรมมาเป็นอย่างดีตรึกพิจารณาไขาครัวมาเป็นอย่างดีท่านเหล่านั้นไปเกิดในหมู่เทวดาแล้วก็เจริญวิปั ส, สนาบรรลุเลยนี่กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองก็คือเจริญเรียนมาอย่างดิไปถึงก็มีเขาเตือนกอกท่านท่นเมื่อก่อนท่านไม่ได้เป็นอย่างนี้นะท่านภาคเพียรจะแพงตลอดอริยสัจมาปนนี้ทําไมเมาอยู่ละ่ะแล้วเขาเตือนก็เลยเออใช่ใช่ชช่ก็เลยปฏิบัติบรรลุ บางพวกก็บางพวกก็เมื่อมีพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมหรือมีพระอริยะสาวกขึ้นไปแสดงธรรมก็บรรุกพวกนึงก็อนเะเกิดมาเป็นมนุษย์รอลงมาใหม่กว่าจะได้บรรลุเนี่ยนะแต่ว่าง่ายง่ายเมื่อว่ารวมรวมไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ตามเธอเอาเธอเมืองไทยเนี่ยอยู่ที่ไหนเราคิดอริยสัจได้มากที่สุดนะผมว่าเอาว่าตามเป็นจริงเลยเนะย ไปงานศพนี่จริงๆมันตายต่อหน้าต่อตาสมโทษนั่นอันนี้ทุกที่ไปเจริญนี้ทุกไหมมันที่ไปไม่ค่อยไม่ค่อยมีเลยอ๋อไม่ได้เจอคิดอริยสัจสักเท่าไหร่นะนี่ขนาดเพิ่งบอกว่าไปงานศพไปวันไหนไปวันเสาร์วันอาทิตย์ฟังธรรมแล้วไปนะเนี่ยขนาดนั้นยังแล้วก็ก็อย่างว่านะศพก็เห็นกันอยู่โทนโทษนะัะนขนาดนั้นยังอริยสัจยังคิดไม่มาก ก็ไล่ดูนะวันนี้ทุกคนก็ไปเจริญเยอะๆกันแล้วกันหมู่สัตว์ทั้งหลายที่มีการเกิดเกิดเมื่อไหร่เกิดที่ไหนก็ต้องตายเพราะความตายเป็นที่สุดรอบของความเกิดแล้วความเกิดเหล่านั้นมาจากไหนหนอก็ไล่อย่างนี้ไปเลยนะเกิดนี่มาจากกรรมนะกรรมจําแนกทําให้เกิดในหมู่ภพต่างๆแล้วกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเหล่านี้มาจากไหนก็ามาจากความยึดถือ ใครยึดถือว so ่าอะไรเป็นสาระก็จะพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมก็มาตามความยึดถือแล้ความยึดถือเหล่านั้นมาจากไหนก็มาจากความเพลิดเพลินเขาถือว่าอะไรเป็นความสุขของเขาเป็นความเพลิดเพลินของเขาเขาจะยึดถือสิ่งนั้นถามว่าความเพลิดเพลินเหล่านั้นมาจากไหนก็มาจากเวทนาเวทนามาจากไหนมาจากสลายตนะอายตนะเหล่านี้มาจากไหนภาษาเอ่มาจากภาษาภาษามาจากอายตนะ ก็มาจากนามรูปวัตถมันก็เป็นไปอย่างนี้มันก็ต้องมาเชื่อมให้ให้เห็นเป็นปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมต้องต้องต้องเชื่อมขนาดนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าเออนะเขาก็ตายเราก็ตายคิดตายก็เศร้าใจาเลิกคิดดีกว่าอันนะั้นถ้าคิดไม่เป็นนะพิจารณาไม่เป็นเนี่ยแทนที่จะโสมนัตนะโทมนัตขึ้นโทมนัตขึ้นเสียใจมากขึ้นเสียใจมากขึ้นจะไปอยู่ที่ไหนอะไปอยู่ที่ไหนพ้นป่าช้ามีไหม โลกนี้นะเอาไปเพราะอีกที่หนึ่งอีกยุคสมัยหนึ่งเขาเรียกว่ามงคลสถานที่ที่เป็นมงคลอีกภาคหนึ่งก็กตรงนี้มันตาเหว่ตาเหว่ภาคเหนือก็ป่ปชาช้า <c oughs> การเจริญพระธรรมหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยอาศัยองค์ประกอบมากพรองตัดว่าในบรรดาสังขารเนี่ยนะสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งที่ประเสริฐที่สุดคืออารยมรรซึ่งอาทิตย์หน้าเราจะได้มาพูดถึงอารยมรว่าขณะอารยมรเกิดขึ้นเนี่ยนะ เขามีองค์ประกอบอะไรบ้างอาทิตย์หน้าตอนปฏิสัมพิธามรักตอนบ่ายนะเพราะกล่าวถึงองค์ประกอบของอรยิยมรรคเพราะในบรรดามรรคเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยประกอบมากประชมปรุงแต่งมากมากจริงๆมากจนเรียกว่าถ้าคนไม่ได้สั่งสมบุญไว้ก่อนเนี่ยกินลูกท้อไปเยอะเลยแหละดีไม่ดีพานเลือกศึกษาเลยเพราะปัจจัยเขาเยอะจริงๆไม่ใช่ของง่ายก็ใช้ความละเอียดละออนมาก ใช้ความสะเพร่าใช้ความอะไรนะช่างมันอย่างเงี้ยไม่ได้มันเป็นเรื่องอะไรนะเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนเป็นเรื่องของการเจ้าว่ารีบร้อนก็ไม่ใช่ไอเจ้าว่าเฉยช้าก็ไม่ใช่ฟุ้งเกินไปก็ไม่ใช่นิ่งจนหลับก็ไม่ใช่หาพอดีแล้วสบายแล้วมีความสุขเจริญแล้วก็ต้องที่จะต้องมาคำนวณว่าตามีทุกมีโทษอย่างนั้นอันตรายอย่างนี้เป็นคนที่เราตื่นตัวพอสมควรเลยแหละ เอามากเลยแหละจึงจะเจริญและเจริญงอกงามได้อันนี้ในขั้นพื้นฐานนะเพราะอริยมรรคเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ถูกปัจจัยประชมปรุงแต่งแต่ถ้าไม่มีมรรคก็บรรลุนิพพานไม่ได้ไ น, นะทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้นิพพานคือความดับทุกข์เป็นสิ่งดีจริงถ้าไม่บรรลุอริยมรรคนะนิพพานไม่ได้บางคนที่ศึกษาพระธรรมไม่ดีพอรู้ว่าอ่านิพพานเป็นเอ่าขอไป ทุกเป็นสังขาร น, นิพพานเป็นที่สังขารทุกเป็นสังขาร น, นิพพานเป็น อ, าอาสังขตะธรรมเนี่ยนะทุกเป็นสังขตะนิพพานเป็นอสังขตะพอฟังเท่านี้ก็ไม่มีอะไรต้องขวนขวายกลายเป็นเฉ่ยชาไปเลยไม่มีอะไรต้องเจริญมากเพราะนิพพานมันเป็นอสังขตะทำไมแค่ไม่มีสังขตะก็ น, นั่นแหละนิพพานก็ pit. ต้องไปภาคเพีเยรอะไรต้องไปเจริญอะไรก็ปล่อยปล่ยไปแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่เลย บอกว่านิพพานเนี่ยนะผู้ใดปรารถนานิพพานผู้นั้นต้องอบรมอริยมรรคผู้ทีเ่เพราะอริยมรรคเป็นธรรมชาติที่สแสวงหาพณิพัทธ์ท่าน แ, แล้วอริยมรรคเจริญ ง, ง่ายหรือจเจริญยากท่า น, นถ้าพื้นฐานไม่เห็นภายในสังขารธรรมจริงๆนะียากที่จะอบรมอริยมรรคเพราะอริยมรรคเนะ่ยคือสุดยอดของสังขารถ้าเปรียบเทียบการจเจริญอริยมรรคนะเหมือนอย่างว่าพื้นแผ่นดิน เป็นเหมือนอ่าพื้นแผ่นดินนะสมมติถ้าสร้างเจดีสักสักเจดีหนึ่งนะที่เจดีองค์ใหญ่มากอสมมติสร้างปฐมเจดีถามว่าฐานเนี่ยสําคัญไหมพื้นดินตรงนั้นนะทำมาน้าคิดนะทําไมไม่สุดอ่าที่อื่นสร้างตึกไม่ดี่ปีอะสุดจนอ่ะเนีเจดีบางเจดีก็ไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นแต่ก็สุดแล้วสุดอีกนะโบสถ์บางแห่งเนี่ยไม่เท่าไรเลยนะเดี๋ยวก็ร้าวเดี๋ยวก็ปริตรงนั้นร้าวตรงนี้เดี๋ยวก็เสียหายหมดละแต่ตรงนั้นไม่ยักษ์ ร, ร้าวเห็นเออถามว่าทําไมอ่ะ แสดงว่าฐานดีเยี่ยมเราต้องเจริญอธิสีลสิกขาที่จิตตะสิกขาให้ได้เท่ากับแผ่นดินทีนี้ต่อไปนะเจริญสัมมาทิฏฐิเป็นต้นหรือเจริญทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิเหมือนองค์พระเจดีย์อริยมรรคคือยอดเจดีย์เนี่ยก็คือสร้างเจดีย์ในความคิดของเราอ่ะถามนะจะต้องแกร่งและมั่นคงขนาดไหนหรือว่าสร้างเจดีย์แบบเจดีย์ในความฝันเตื่นขึ้นมาหาหมดเลย ไม่ใช่เราต้องปักหลานให้มันมั่นคงให้เต็มที่ทําจิตของเราให้เป็นผืนแผ่นดินเป็นอธิศีละิกขาให้เป็นอธิจิตตเสกขามั่นคงขนาดนั้นดึกแผ่นดินเลยน ะ, ะต่อไปก็เริ่มสร้างองค์ขึ้นองค์เจดีเริ่มตั่งกทิธีวิสุทธิศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิทีนี้การเรียงอิดแต่ละก็คือสมมติอิดแต่ละก้อนที่เราสร้างองค์เจดีนั่นคืออบรมสัมมาทิฏฐิเป็นต้น หลั้นสังสมมาทิฏฐิหนึ่งเจริญอนุปัสนาเจ็ดหนึ่งครั้งเท่ากับ 7, วางอิฐไปก้อนหนึ่งก็วางอยู่อย่างงี้จนกว่าจะเต็มโนนอ่ะสร้างจนอริยมรรคบริบูรณ์ขึ้นเห็นไหมเรียกว่าสร้างเจดีในความคิดในในจิตใจเนี่ยถ้าสร้างเจดีอันนี้สําเร็จลงอ่ะนะยอดยอดที่หนึ่งโสดาปติมร์เงี้ยนะก็อันนี้สงก็อย่างว่านะสวรรค์ก็สวรรค์อย่างเดียวไม่ต้องมีอาบายละแต่สร้างที่ดีองค์นี้สําเร็จนะสร้างในใจเราสำเร็จเนี่ย ปิดอบายโดยประการทั้งปวงเกิดในคันไม่เกินเจ็ดครั้งถ้าหากว่าสร้างเจดีองค์ที่สองก่ออีจนสำเร็จเนี่ยนะสากอ า, าคาามีมักเกิดมาสู่คันมาสู่ลูกนี้แค่ครั้งเดียวถ้าอนาคามีมักสําเร็จกรมมาพบไม่ดองถ้าอรหัตทะมักสําเร็จนะเจดี JD, องนี้สาเร็จก็ทําที่สุดแห่งทุกข์เพราะั้นการเจริญมหากุศลเนี่ยนะถ้าเจริญง่ายไม่ยาก ไม่ต้องบำเพ็ญบารมีถึงสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนปัญญาระดับพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านตรึกพิจารณาอยู่หกปีท่านคิดอะไรอยู่ตั้งหกปีเนี่ยในนี่คือของมาเนี่ยสนใจตรงนี้มานานนะหกปีท่านไปนั่งดิดกายนั่งพร้อมกระรองกลั้นลมหายใจอยู่แค่นั้นหรือเพมาสนใจตรงนี้มานานมากนะเจอในทเวทาวิตกสูตรเป็นต้นดีใจมากเลยนะรู้แล้วว่าท่านคิดอะไรในหกปี แล้วก็ไปรวบรวมเกี่ยวกับปุพพสูตรปุพพสูตรก็คือสูตรก่อนตรัสรู้ในในหนะังสือเล่มพุทธคยาที่รวบรวมไ ป, ไนนะไนนะปเนี่ยนะปุพพสูตรเนี่ยท่านคิดมากเลยนะก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าท่านคิดจนไม่มีอะไรจะคิดอนะ่ะท่านรู้จนไม่มีอะไรจะรู้คิดอยู่หกปีเนะีจึงได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าของเราล่ะพูดแล้วก็เศร้านะหมดเวลาพอดี